ทีนี้ผลผลแห่งบารมีเนี่ยนะวิปา ก, กับผลอันนี้เน้นวิบากกับผลวิบากที่เกิดจากการสร้างบารมีนี้มีอะไรบ้างวิบากที่เกิดจากการสร้างบารมีถ้ากล่าวแบบย่อๆย่อที่สุดเลยนะบอกว่าผลวิบากกับผลที่ท่านทำทำทำเนี่ยนะสร้างบารมีมาตลอดยาวนานศีอสงไขยแสนกาบเนี่ยท่านได้อะไรบอกก็ได้ความเป็นพระพุทธเจ้าไง ะจะมีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าความเป็นพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละชื่อว่าเป็นผลแห่งการสร้างบารมีเพราะผลแห่งการสร้างบารมีก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้แบบยอดที่สุดเลยนะเป็นพระพุทธเจ้าไงเนี่ยนะอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าอธิบายพิสดารว่านะอธิบายพิสดารว่ า, าการสร้างบารมีของพระ อ, องค์เนี่ย ก็คืออะไรคือปุบภะจริยาคุณหรือเหตุสัมปทานะปุพภะจริยาคุณและเหตุสัมปทาคือการสร้างเหตุทั้งหลายนั่นเองทีนี้เมื่อการสร้างเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยนะผลแห่งการสร้างเหตเอา่าผลอันนั้นคืออะไรบ้างก็คือพระสรีระคุณพระสรีระคุณสิริที่งดงามในรู ป, ปกายเนี่ยนะมีอะไรบ้างรุ่งเรืองด้วยหมู่แห่งคุณไม่ใช่น้อยเช่นมหาปริศลักษณะ32 อันนี้เห็นเลยนะในแง่ของสรีระใช่ไหมในส่วนของสรีระเนี่ยปุพพจริยาคุณคือการสร้างบารมีทาให้ได้สรีระคุณคือมหาปุริสลักษณะสสิบสองประการอนุพยันชนะอีกแปดสิบพระสมีอีกหนึ่งว่าเป็นต้น อันนี้ในส่วนของพระสรีระคุณเนี่ยน ะ, ะมีสรีระคุณนะับตั้งแต่ตั้งแต่พระเกษาไล่มาจนถึงพื้นพระบาทพื้นพระบาทไล่จากในส่วนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยนะแม้กระทั่งเส้นผมคิ้วนะคิ้วจมูกคางฟันหรือผิวพันธุ์ใบหูเนี่ยนะคอบา่าหรือแม้กระทั่งว่าช่วงแขนนิ้วแขน อันนะั้ฝ่ามือฝ่าเท้าเรีวฝ่าพระหัตถ์ฝ่าพระบาทร่างกายส่วนหน้าร่างกายส่วนหลังแม้กระทั่งอวัยวะเพศเนี่ยนะอวัยวะเพศก็อยู่ในฝักเป็นต้นฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีสรีระคุณเรียกว่ามหาปริศลักษณะแล้วก็ยังมีตกแต่งรายละเอียดเล็กน้อยอีก80อย่างอันนี้ก็เป็นผลบุญบา ร, รมีที่พระองค์สร้างมาเป็นผลของการประพฤติจริยามาแต่อดีตนี่นะไม่ว่าจะเป็นโลกัธิจริยาเป็นต้น ประพืชสร้างบารมีมาในอดีตนั่นแหละทำให้สมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะ32และอนุพยัญชนะ80แล้วก็มีพระสมีสร้านออกจากพระวรกาอีกหนึ่งวาถือว่าโดยปกติโดยปกติก็มีพระสมีหนึ่งวาแล้วก็รัสมีหนึ่งวานแสงสว่างแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แสงเหล่าอื่นครอบงำไม่ได้เนี่ยนะส่วนอีกอันหนึ่งว่าพระศรีรคุณเหล่านี้เนี่ยนะพระศรีรคุณเนี่ย อย่างที่เราไหว้ๆกันไปไหว้พระเจดีย์ที่นั่นที่นี่เมื่อนั่นเมื่อนี่เป็นต้นเนี่ยอันนี้เน้นเราไปเน้นไหว้พระศิริระคุณนะนะไหว้พระธาตุพระธาตุพระเกษาธาตุพระโลมาธาตุพระนักนะนัขาธาตุยังไม่เคยได้ยินนะนะเล็บมืนนะก็คือมีแต่ว่าอะไรพระเกษาพระโลมาหรือว่าพระทันตานะพระธาธาเรียกว่าพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ยวพระฟันหรือแม้กระทั่งอ่ะอัฐิเนี่ยนะอัฐิธาตุที่เราเรียกว่าศรีระธาตุอัฐิส่วนส่วนพระอะไร ส่วนพระเศียรส่วนส่วนของหายปราส่วนแขนส่วนอกส่วนหลังส่วนข้อต่างๆทั้งหลายก็คือพระาธาตุทั้งหลายนั่นเองที่เรากราบไหว้ส่วนใหญ่ก็กราบไหว้พระอะไรพระสรีราคุณเนี่ยนะแต่ว่าขอบเขตในการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะโดยมากเนี่ยโดยมากก็เน้น ค, คือเรียกว่าบูชาพระพุทธเจ้าได้ค่อนข้างแคบ อย่างในยุคนี้เนี่ยเห็นเลยว่าทําพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยบูชาได้ค่อนข้างแคบที่แคบนั้นอ่ะเพรา ะ, ะศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าไม่มากเนี่ยนะหรือศึกษาแต่น้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญไม่ได้พูดว่าเอออย่าไปบูชาบูชาอย่างงั้นมันได้บุญน้อยไม่ได้พูดอย่างนี้แต่บอกว่ามันยังแคบไปหน่อย แค่ไปหน่อยเพราะเราบูชาเพราะในส่วนของพระศรีระคุณเท่านั้นเองอันนั้นในบูชาผมบูชาเล็บหรือบูชาพระโลมาเนี่ยนะบูชาขนบูชาฟันบูชาแม้กระทั่งพระศรีระคือกระดูกทั้งหลายแล้วก็โยงไปหาถ้าหากว่าผู้ที่มีปัญญาพิจารณาว่าพระศรีระคุณเหล่านี้ทั้งหมดได้มาจากพระปุพพเจริยาคุณก็น้อมบูชาพระ ปภะเจริยาคุณด้วยสรีระคุณเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธคุณทั้งหลายพระรู ป, ปกายเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งพระธรรมกายพระธรรมกายก็คืออะไรบ้างพระธรรมกายคือ ทศพลยานเนี่ยนะทศพลยานเวสารชยานอาสาธารณญยานหรือพุทธธรรมสิบปดหมวดเนี่ยนะหมวดแห่งพุทธธรรมทั้งหลายอย่างเช่นที่เราสวดพุทธกูลบอกว่าพระพักควาเ น, นี่ยนะทรงมีส่วนแห่งสติประธานสีสัมมาประธานสอิที่บาทสีอินรียห้าปละหา้าโพชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดมีส่วนแห่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานุทัศนะทรงมีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะอันนั้นก็คือพระ พระพุทธคุณทั้งหลายอย่าพระพุทธคุณยอ่ยอๆ อ, อย่างที่เรากล่าวกันบ่อยๆก็คืออิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูเป็นต้นอันนั้นเรียกว่าในส่วนของพระพุทธคุณทั้งหลายเรียกว่าพระคุณะคุณทั้งหลายพราะฉนั้นถ้าหากว่าเราจะบูชาก็ควรน้อมบูชาสามอย่างไปไหว้บูชาพระาธาตุในส่วนแห่งพระศรีระคุณ ก็ให้น้อมรำลึกถึงพระปุพพจริยาคุณและให้เห็นพระพุทธคุณที่เคยประดิษฐานดำรงอยู่ในพระสรีระคุณเหล่านี้เราก็จะบูชาพระพุทธเจ้าในสส่วนส่วนอ่ะจริยาคุณคือคุณส่วนเหตุแล้วก็อ่ะสรีระคุณในส่วนของผลคือสรีระแล้วก็ผลเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธคุณทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้น อันนี้ก็เป็นผลผลที่เกิดจากการสร้างบารมีเนี่ยนะเพราะว่าบารมีทั้งหมดอยู่ในส่วนทัวในครั้งคือเจริยาคุณเนี่ยนะปุปพระเจริยาคุณเหตุที่พระองค์ได้กระทำมาอย่างมากมายในอดีต ท, ทำให้มีพระสรีระเป็นที่รองรับคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะรองรับทศพลยานย า, ยานที่เป็นกำลังแห่งพระพุทธเจ้า น, นะเวสารัชายาน ย, ยานที่ทำให้พระองค์ถึงความ เกล้ากล้าอาหารไม่ครั้นครามอสาธารณยานญาณที่ไม่สาธารณะทั่วไปแก่สัรพสัตว์ทั้งหลายเช่นเช่นอะไรอสัยนุสยายญาณอินทรียะปโปรปริยัติญาณมหากรุณาสมาบัติญาณยามกะปฏิหาริยญาณสัพพัญญุตญาณหรืออานาวารณญาณเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งพุทธธรรมธรรมสําหรับพระพุทธเจ้าอีกสิบแปดหมวดเป็นต้น ผลผลแห่งการสร้างบารมีเนี่ยนะผลแห่งการสร้างบารมีที่ทำให้พระองค์เพียบพร้อมในส่วนของพระสรีระคุณหรือแม้กระทั่งพระพุทธคุณทั้งหลายพระคุณทั้งหมดในส่วนของสรีระหรือในส่วนของ พระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะอรหันตคุณเป็นต้นแม้แต่พระพุทธเจ้าด้วยกันก็ไม่สามารถจะสรรเสริญพระพุทธคุณทั้งหลายให้สิ้นสุดลงได้ด้วยกับไม่น้อยอย่างกลับกับเดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ทําอะไรเลยแสดงแต่พุทธคุณอย่างเดียวเนี่ยนะเทศพุทธคุณอย่างเดียวก็ไม่มีจบมีสิ้นอันนี้ก็เป็นผลของการสร้างบารมี อย่างที่โบราณาจาย์กล่าวเป็นคาถาประพันธ์ไว้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าพึงสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าไม่ต้องทําอย่างอื่นสรรเสริญแต่พุทธคุณอย่างเดียวตลอดกับสิ้นกับระหว่างยาวนานถึงจะพูดสิ้นกับแต่พระพุทธคุณของพระตถาคตทั้งหลายก็ไม่สิน้นไปมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเทระรูปหนึ่งที่ศรีลังกาท่านแสดงพุทธคุณเนี่ยนะแสดงพุทธคุณตั้งแต่หัวค่ําท่านก็นเริ่มเทศละ เริ่มเทศขึ้นแสดงธรรมพระราชาก็มายืนฟังธรรมอยู่ท้ายบริษัทเนี่ยนะครับปลอมตัวมาปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักเลยนะก็ไปยืนฟังธรรมอยู่ข้างหลังนุ่นพระเทระก็แสดงพระพุทธคุณก็รเริ่มแสดงตั้งแต่หัวค่ําจนสว่างเลยนะเทศสว่างนะพูดพุทธคุณจนสว่างเนะี่ยยังยังนึกไนงะเอท่านเอาอะไรมาเทศเอาจริยาปิดอกหรือเอาพุทธวงศ์หรือเอาคมภีอะไรต่างๆมาเทศเนี่ยนะก็น่าคิดนั่นกันนะท่านพูดได้ทั้งคืนของท่านเสร็จแล้วพอแสดงนะเอวังนะตอนจบสุดท้าย นั่นก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุพระเทระจำได้เออในเสียงพระราชาบอกว่ามหาบาพิษเสด็จมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มาตั้งแต่พระคุณเจ้าเริ่มแสดงธรรมนั่นแหละว่างั้นก็บอกโอมหาบาพิษเนี่ยอดหลับอดนอนฟังธรรมทั้งคืนนี่น่าอัศจรรย์บอกโอ้นี่ไม่น่าอัศจรรย์เนี่ยนะที่ยืนฟังธรรมยืนด้วยนะไม่ได้นั่งอะไรยืนฟังธรรมตลอดคืนเสร็จแล้วบอกโอ้นี่ไม่น่าอัศจรรย์แต่ที่น่าอัศจรรย์เนี่ยนะข้าพระเจ้าไม่ไม่คิดนอกเรื่องที่ท่านเทศเลย อันนี้น่าอัศจรรย์กว่าไม่ส่งจิตไปเรื่องอื่นตลอดเวลาที่ท่านที่ท่านแสดงธรรมนะเพราะวันนั้นบอกพระเถระแสดงพระพุทธคุณกล่าวคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่าพระพุทธคุณที่ท่านกล่าวเนี่ยมีเฉพาะเจ้าเท่าที่ท่านเทศนี้ใช่ไหมก็บอกไม่ไม่บอกงั้นบอกว่าอุปมาให้ฟังหน่อยอว่าพุทธคุณที่ท่านเทศเนี่ยทั้งคืนเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่ก็บอกเหมือนกับนาพันไร่พันกรีดก็คือพันไร่หรือพันไร่หมื่นไร่เนี่ยนะ หยิบข้าวมาหนึ่งรวงเนี่ยชื่อว่าพูดข้าวทั้งหมดใช่ไหมที่เทศทั้งคืนเนี่ยก็เท่ากับหยิบข้าวมารวงเดียวในบรรดานาพันไร่หมื่นไร่เนี่ยนะเสร็จแล้วบอกว่าเออก็อุปมาณนี้ก็ไม่ประทับใจเหาือนนเถอะมันยังยังไงยังไงอยูอ่ท่านก็บอกว่านกน้อยบินในอากาศบอกเออไทยอย่างเงี้ยนะก็บอกว่านกที่มันบินในอากาศเนี่ยนะออนกที่มันบินในอากาศมันบินทั่วอากาศทั้งหมดเลยใช่ไหมนกที่มันบินบนอากาศ บอกไม่ใช่แต่ส่วนน้อยแต่ที่แท้แล้วอากาศถึงความนับว่ามากหาประมาณไม่ได้ฉันใดท่านก็บอกว่าที่ท่านแสดงพุทธคุณก็ไม่ต่างอะไรจากนกน้อยที่บินอยู่ในท้องฟ้าก็ไม่ใช่ว่าท้องฟ้ามีเฉพาะส่วนที่นกน้อยบินอยู่เท่านั้นเพราะนพระเถระท่านบอกว่าท่านแสดงธรรมเนี่ยแล้วพาลรหันปฏิสัมพิทาด้วยนะท่านแสดงพระพุทธคุณเนี่ยแต่กว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนแต่ท่านก็บอกว่ายังเล็กน้อย พระองค์ก็เลยอนุโมทนาว่ายกเกาะลังกาเป็นพุทธบูชาเลยนะยกแผ่นดินสีลังกาทั้งหมดอ่ะบูชากันเทศอันนั้นนะเสร็จแล้วพระก็บอกว่าถวายคืนเนี่ยไปดูแลเอคนเดียวเหอะนะพระเทรัก็ถวายคืนนะบอกว่าเป็นกันเทศที่แพงที่สุดมังกันนอะก็คือถวายทั้งเกาะเลยนะบอกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยถวายท่านหมดเลยอันะนั้นในในก็มีสมัยที่ว่าพระเจ้าศรัทธาติศะ พระเจ้าศัทธาติสระเนี่ยถ้าจําไม่ผิดก็คือพระราชาที่สร้างสุวรรณมาลิกาเจดีย์นีพระราชาที่สร้างสุวรรณมาลิกาองค์โตโต้เนี่ยนะเจดีย์องค์โตนั่นแหละแล้วท่านเป็นตอนนี้ท่านคือว่าที่พระอครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตตยะเนี่ยนะเป็นว่าที่อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ถึงจริงๆนะอีกนานอีกหนึ่งพุทธันดรท่านก็จะได้เป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตตยะเนี่ยนะ ก็เป็นพระราชาที่ที่ทําบุญมากเลยเรียกว่าพระเจ้าศรัทธาติดสะเนี่ยนะชื่อติดสะแต่มีศรัทธามากเลยเรียกพระเจ้าศรัทธาติดสะย้อนอีกนิดหนึ่งนะว่าพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าไม่สร้างบารมีมาแล้วเนี่ยพระพุทธคุณทั้งหลายจะมีได้อย่างไรนะคล้ายๆกับนิธิกันเนี่ยนิธิกันน่ยตอนท้ายของนิธิกันก็บอกว่าแม้แต่พุทธภูมินั้นเนี่ยนะพุทธภูมิเนี่ยท่านบอกว่า ได้จากอะไรได้จากการสั่งสมบุญเนี่ยนะในในนิธิกันเนี่ยนะใครที่มีหนังสือเนี่ยเล่มเล่มสวดมนต์เนี่ยนะใวันนิธิกันหน้า62เนี่ยตอนตอนท้ายๆก็บอกว่าแม้แต่พุทธภูมิเนี่ยนะพุทธภูมิก็ได้มาจากการสั่งสมเนี่ยนะซึ่งจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งก็ก็นึกถึงว่าเมื่อกี้บอกว่าพระเทระเนี่ยนะ ที่แสดงพระพุทธคุณเนี่ยท่านเป็นพระมหาเทระที่ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นพระที่ทรงพระไตรปิฎกเป็นพระอรหันต์ประกอบพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาท่านสรรเสริญพระพุทธคุณท่านก็บอกว่าท่านเท่ากับนกที่บินในอากาศเท่านั้นเองในการแสดงพระพุทธคุณทั้งหลายหรือเหมือนกับข้าวรวงเดียวในนาเป็นพันพันไร่เนี่ยนะมันก็เท่ากับข้าวรวงเดียวนี้ขนาดพระอรหันต์นะพระอรหันต์ ท่านยังบอกว่าคําของท่านเท่านั้นเองหรืออีกสำนวนหนึ่งก็คือมเมล็ดพันธุ์ประกาศในภูเขาสินนนะเสนรุเนี่ยนะภูเขาซีเนรุเนี่ยลึกเท่าไร่8 000, 000, ดหมื่นสี่พันโยศูงขึ้นบนพื้นดินเนี่ยสูงขึ้นไปอีก8ปดหมื่นี่พันโยแล้วมเมล็ดพันธุ์ผักกาศเนี่ยมันจะเท่าไรแต่นะถ้าไกลๆ ก, ก็มองไม่เห็นแล้วเนี่ยมเม็ดดานิดเดียวเองนะเหมือนกับปลายผมอะเล็กแค่นั้นอะน ะ, มะเมล็ดพันธุ์ผักกาศกับมเมล็ดผักขมเนี่ยเขพอๆกันนะน่อยเดียวนิดเดียวเมล็ดงายงใหญ่กว่าเยอะเนี่ยนะ แต่ถ้าในอัตถคถาสัมปสสธนีนยสูตีคณิกายปาติกวักเนี่ยนะที่ได้กล่าวถึงว่าในอัตถคถาที่อุปมาถึงว่าผู้ที่ยังถึงพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะผู้ที่ยังถึงพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยอย่างปุถุชนเนี่ยอย่างไรก็รู้พระคุณของพระพุทธเจ้าไม่เท่ากับพระโสดาบันเนี่ยนะปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่ามองเห็นพระพุทธคุณกว้างใหญ่ก็เหมือนกับดูด้วยตาแล้วก็เอานิ้วจุ่มๆเรียกว่าความรู้ในพุทธคุณน่ะนะภาษาไทยก็พูดไม่เลยหรอกว่าความรู้เท่าหางเอื่องเท่างกันนั่นนะคือมันเล็กน้อยนิดเดียวอ่ะนะแต่ถามว่าแล้วพระโสดาบันอ่ะสั่งอย่างถึงพระพุทธคุณเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าใครที่มีไม้วัดหย่อนหยองหยั่งลงในทะเลสักวานึงแค่นั้นอ่ะนะพระโสดาบันเขาเรียกว่ายั่งลงสู่ทะเลได้แค่วาเดียวลึกแค่วาเดียวถามว่าทะเลลึกว่าเดียวใช่ไหมบอกไม่ใช่ นะพระสกทามีก็มากกว่านั้นพระนาคามีก็ลึกไปกว่านั้นพระอรหันต์ก็ลึกไปกว่านั้นพระอรหันต์อย่างมากก็เท่าพระอรหันต์ทั่วไปปกติก็ประมาณลึกประมาณร้อยวานนะประมาณร้อยวาแล้วก็พระมหาสาวะพระสาวกที่ผู้ใหญ่ก็ลึกลงไปกว่านั้นอีกเป็นพันพันวาส่วนพราษาริบุเขาบอกว่าลึกที่สุดก็ประมาณ 84% 0 0มื่นพันยแต่ก็ไม่ใช่ว่าระษาริบจะอย่างทราบเชิงใน พระพุทธคุณทั้งหมดโดยสิ้นเชิงขนาดพระสารีบุตรก็ยังรู้พระคุณทั้งหมดไม่สิ้นเชิงเพราะพระพุทธคุณนั้นหาประมาณไม่ได้พระปเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ทราบซึ่งในพระพุทธคุณอย่างเต็มที่ที่จะเข้าใจในพระพุทธคุณเท่ากับพระพุทธเจ้าพระอนาคามีท่านหนึ่งที่มีคนมาบอกว่าโอ้ท่านคงรู้จักพระสมณะโคดมเป็นอย่างดีเลยคือคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ชมพระพุทธเจ้ามาก ก็มีคนมาทักว่าโอท่านเนี่ยชมพระสมณะโคดมขนาดเนี่ยท่านรู้จักพระสมณะโคดมดีใช่ไหมบอกว่าข้าพเจ้าเป็นใครพระสมณะโคดมเป็นใครข้าพเจ้าจะรู้จักพระสมณะโคดมคนที่จะรู้จักพระสมณะโคดมคนนั้นต้องเช่นกับพระสมณะโคดมคือคนที่จะชมพระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าแก่นแท้จริงๆคนนั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะเข้าใจทราบซึิงในพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้มีพระคุณ หาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะก็ไม่รู้จะเอาอะไรมามาเป็นเครื่องวัดเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยแค่นั้นแค่นี้เท่านั้นเท่านี้โดยที่แท้แล้วพระองค์นั้นมีพระคุณหาที่สุดไม่ได้อันนี้เป็นผลของการสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยนะนการสร้างบารมีนี้ก็ให้ผลให้อันนี้สงองหาที่สุดหาประมาณไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อความที่เป็นปกินอากาศคาถาก็จบลงแต่เท่านี้นะที่ ถามว่าประกินนักกะคาถ า, าเนี่ยข้อความอันนี้ยกมาจากพระพุทธพจน์ตรงไหนนนะท่านอธิบายพุทธพจน์บทใดบอกว่าอธิบายพุทธพจน์ในหน้า553นนะ55พุทธพจน์ใน553ที่พระองค์ตรัสว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ คือสแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุติญาณทัศนะแสวงหาโพธิปักจยธรรมสติปัฏฐานเป็นต้นตรัสไว้แล้วว่าเราได้เสวยทุกและเสวยสมบัติมากมายหลายอย่างก็คือเสวยทั้งทุกเสวยทั้งความสุขมากมายในพบน้อยพบใหญ่ตามที่กล่าวแล้วนายกตัวอย่างเช่นในจริยาปิฎกถ้าที่อื่นก็ในชาดกหรือถ้าในพุทธวงศเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วจึงได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราได้ให้ทานอันควรให้อันนี้เป็นเหตุให้ขยายปกิณกะว่าเราได้ให้ทานอันควรให้อะไรที่ควรให้ในโลกนี้นั้นที่ไม่ได้ให้ไม่มีให้หมดเลยบำเพ็ญศีลดยหาเศษไม่ได้ศีนไหนบ้างละ่ะที่ไม่เคยรักษาไม่มีไม่มีส่วนเหลือแม้แต่เศษเสี้ยวเดียว ถึงเนคขมมะบารมีแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดมัะเนคขมมะเนี่เข้าถึงทุกอย่างคุณธรรมที่เป็นเนคขมมะเนี่ยนะกุศลเหล่าใดาที่พระองค์ไม่เข้าถึงไม่มีเรียกว่าเข้าถึงคุณธรรมทุกอย่างอันนี้ต่อไปปัญญาบอกว่าเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตระดับล่างจนถึงบัณฑิตสูงสุด ระดับพระพุทธเจ้าท่านถามมาหมดแล้วเนี่ยนะท่านสอบถามเรียนรู้วิชาความรู้จากบัณฑิตเหล่านั้นทั้งหมดทําความเพียรอย่างอุ ก, กรฤษเนี่ยนะเพียรในการสร้างบุญเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาเั้นเถอะเรียกว่าทําต่างตายเนี่ยแหละเอาตายเข้าเล่ทุกอย่างเพียรอย่างอุกฤษไม่มีอะไรจะสูงสุดอุ ก, กรฤษเนี่ยก็คือสูงสุดแล้วเนี่ยนะเขามีอะไรแบบระดับอย่างเลวอย่างกลางอย่างประณีตแล้วก็ระดับสูงสุดเพราะฉะนั้นถือว่า ไม่ใช่ชั้นเลวไม่ใช่ชั้นกลางไม่ใช่ชั้นพิเศษแต่ชั้นสูงสุดมันเพียงการสร้างบุญกุศลเพียงอย่างสูงสุดถึงขันติบารมีมีความอดทนอย่างแท้จริงเช่นกับแผ่นดินแล้วจึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดเนี่ยนะ